บุกทูสี่สิบหกสในดิสโกเทกที่นั่งนี้ว่างไหมครับ e ผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ ได้สิว่าใ е ้ผมนั с งนั่งด о ด้วยกัเชิญครับ АХ, в о ว н а นคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับจิปดาไบต์เ я в ม м м у з ก к а เสียงดังไปนิดครับ д ่ в о л и ГУЧНАВАТАЯ แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับ а л ล гурт и г р а ราเวล์ม обр а คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกครับ не цяпер першы раз ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับคุณอยากเต้นรำไหมครับ อีีกเดยวอาจจะไไปครไครรัับบผมมเเตน่่กง่ายมากเลยครับ <совсем> ผมจะแสดงให้คุ покажу ไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าครับเนี่ยเรียบชินชิมราซมคุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับ вы к о г о с ь ติช а กเอยจใช่ครับรอแฟนอยู่ так м а й г ั сябра เขามาแล้วครับอาวุชยนอิ е заду за вами